กีไมสัตว์อกามแงขึ้นเลยเหมือนเกดูไรใใจเราเฮ้ามันไม่ได้วะเหมือนเกอรใใจรว่เราอ่สเหมือนเกิดอไรใจระวงเราแต่วัน จะคอยแวแหวนไว้ใจไม่อยากจะกลายมาคอยรนทางเธอไม่ใช่เป็นคนงี่เงาอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลยบางครัง้งเธอน ย, ยังคิดถึง เธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างให้ฉันจะทำยังไงก็ได้แต่รักทั้งใจกับเธอแต่ฉันจะทำยังไ้วันไหนจะโอนเธอทิ้งหรือไรพนี้จะไปกับใครก็แล้วต จะตามไปเจอยังต้องเจอเจอว่าเธอยังคุยยังใครไม่รู้ทำไมที่ฉัน เธอนั้นยังที่ถึงใครเรื่องใดทุกครั้ง แต่ฉันจะทำมีไรก็ได้จะรักถึงใจกับเธอแต่ฉันจะทำไ้ได้วันไหนเธอโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะนีจะไปกับใครก็แล้วตาเธอ Yeah. ให้ฉันจะทำอย่างไรงรักหัวใจให้กับเธอฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรที น, นี้จะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ